ขณะที่พระใหม่ยังอยู่ที่นี่ถ้าหาว่าไม่มีอะไรก็คิดว่าคงจะมีการประชุมทุกเย็นเพียงสามอาทิตย์แต่ตามปกติวัดของเราก็มีวันพระ 15. แปดค่ำสิบห้าค่ำถ้ามีนอกกว่านั้นก็ในระหว่างจะมีการประชุม แต่ในช่วงที่พระใหม่เข้ามาอยู่ด้วยก็คงจะมีการประชุมทุกวันเว้นเสียแต่เป็นบางวันที่มีธุระจำเป็นก็ค่อยว่ากันอีกถ้าไม่มีอะไรก็คิดว่าคงจะประชุมกันทุกเย็นทั้งพระใหม่พระเก่า การประชุมหารือกันมันก็เป็นสิ่งที่ดีผู้ที่เข้ามาศึกษาสิ่งไหนที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังก็จะได้ยินได้ฟังสิ่งไหนที่เคยได้ยินได้ฟังแล้วไม่เข้าใจชัดก็จะเข้าใจสิ่งนั้นชัดขึ้นมีความสงสัยในจิตในใจอยู่ก็จะได้หมดความสงสัยเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วก็ทำความเห็น ที่มันจิตแปลกแตกต่างมา ก, ก่อนก็ททำความเห็นให้ถูกต้องได้ขณะจิตที่ฟังธรรมเทศนาครูบาอาจารย์ที่เราได้ศึกษาได้ปฏิบัติจิตใจก็จะได้รับความผ่องใสอันนี้คือการได้ยินได้ฟังจากนั้นก็เรื่องที่เราจะต้องได้รับรู้รับทราบ ร่วมกันมีกฎระเบียบเป็นต้นที่อาจจะได้พูดในช่วงนั้นอันนี้ก็คือผู้ที่เข้ามาศึกษาแต่มีแต่ศึกษาตอนเช้าอย่างเดียวมันก็น้อยเกินไปที่หลวงพ่อพูดบางทีก็จะพูดมากก็ไม่ได้แต่ก็พูดให้พอเป็นแนวแถวสําหรับผู้เข้ามาศึกษา อย่างวันนี้หลวงพ่อก็จะพูดเรื่องเกี่ยวกับการเป็นอยู่การฉันปัตหาหารนะตามปกติพระป่าพระกรรมฐานเวลาเตรียมอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วนั่งประจาที่เมื่อนั่งประจำที่ให้สินให้พรให้พรการให้พรบางทีให้ทั้งกลุ่มบางทีให้เฉพาะหัวหน้า บางทีหัวหน้าให้องค์ใดองค์หนึ่งให้สุดแท้แต่อันนี้คือเป็นประเพณีมาตั้งแต่ในครั้งพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าไปฉันพัตธาหารพระพุทธองค์จะให้องค์ใดเป็นผู้แสดงธรรมหรือเป็นผู้อนุโมทนาอุบาสกก็เข้าไปรับบาตรองค์นั้นจากนั้นองค์นั้นก็เป็นองค์อนุโมทนาแต่โดยมากกับพระพุทธองค์เป็นผู้แสดงธรรมและอนุโมทนา ในพิธีนั้ น, น, นแต่บางครั้งก็มีพระสาวกอนุโมทาก็มีพอมาถึงยุคของเราโดยมากก็ฉันพร้อมกันก็หัวหน้าให้พรก็ให้พรพร้อมกันทั้งหมดแต่บางครั้งอย่างหลวงตาเนี่ยท่านก็ให้พรองค์เดียวบางทีท่านก็ให้องไดองหนึ่งให้พรก็มีอันนี้คือการให้พรเมื่อให้พรเสร็จเรียบร้อยแล้ว ก็เตรียมที่จะฉันขณะที่จะมาฉันยกบาทขึ้นมานั่งแล้วจะจัดอะไรก็จัดซะพอจัดเรียบร้อยแล้วให้มองดูในบาทให้กำหนดดูบาทมองดูในบาทพิจรารณาพิจารณาปฏิสังขานโย น, นิโสบินดป่าตังอย่างอจฉมายาปัจเวกิตวายัง โยบินดปาโตปรติปรปรโภโตโนเนวัทวายะนมะทายะนัมันธนายะนวิภูษนายะยาวะเดวะอิมัสากายะสะทิติยายปนายะวิหิงสุพระติยาพรหมจริยานุกห้ายะอันนี้คือเป็นคาถาเป็นบาลีแต่ความหมายก็คือเราจะฉันอาหารเพื่อยังชีพให้เป็นไปเพื่อได้ประพฤติพรห ม, มจรรย์ เพื่อจะหาทางพ้นทุกข์ในวัฏฏสงสารเราจะไม่ฉันเพื่ อ, อ, อบำรุงร่างกายให้เป็นนักชกนักปั้มนักมวยเพาะทักเพาะกายถึงจะเลี้ยงอิ่หมีผีมันเลี้ยงดิบเลี้ยงดีขนาดไหนร่างกายอันนี้ก็จะต้องแก่จะต้องเจ็บจะต้องตายในที่สุดไม่มีใครที่จะอยู่ค้ำฟ้าไปได้เพราะนั้นท่านจึงพิจารณาเวลาจะฉันปัตหาหาเนี่มองดูบาด กำหนดพิจารณาปฏิสังขารโยนิโสบินดาปาตังอาหารอยู่ในบาทก็เป็นอาหารที่น่ารับทานแต่พอเข้าอาหารเข้าอยู่ในปากของเราแล้วก็เป็นของปฏิกูลเวลาคายออกมาเนี่ยมันเปื้อนกับน้ำลายแล้วใครจะรับไม่ได้เป็นหน้าขยะขยแขงแสดงว่าร่างกายของเราเนี่ยเต็มไปด้วยของอสุภะปฏิกูล เมื่อกลืนเข้าไปในคลองแล้วกลืนเราเข้าไปนําไส้แล้วไปอยู่ในกระเพาะแล้วก็เป็นอาหารใหม่ต่อไปก็ย่อยเป็นอาหารเก่านี่ก็ออกไปจากอาหารใหม่ที่เราทับรับทานเพราะนี้การรับทานเพื่อยังชีพให้เป็นไปไม่ได้เพื่ออย่างอื่นเพื่อสะแสวงหาทางที่จะพ้นทุกข์ไม่เมาเวียนไหวตายเกิดในวัฏฏสงสารอีก เพรานั้นเวลาจะฉันอาหารเวลาจะทานอาหารท่านจึงให้คารวมดูในบาตรเสก่อนพิจารณาเะก่อน mm hmm. เพราะฉะนั้นพระในครั้งเก่าแก่หลวงปู่หลวงตาอย่างหลวงปู่ฟัน่นท่านยังเอามาพูดเป็นเชิงตลกคบขันเหมือั้นท่านไทยสมัย hmm. ท่านบวชใหม่ท่านบวชใหม่ท่านไม่ได้ปฏิสังขารโยนิโสบินดาปาตังท่านไม่ได้ปฏิสังขายโ ย, โ ง, ง, ย, โยงั่นไง เออท่านก็นี่แหละพระหัวนาคเอาให้น้อยน้อยเอาปั้นข้าวเหนียวมาแล้วก็มากัจมเศษคาถ้างั้นแหะปฏิสังขารโยนิโสบินดัปปาตังปฏิเสวามิเทวะทวายบินดัปปาตังก็คือบินทบาตเออปฏิสังขารโยนิโสบินดัปปาตังก็คืออาหารบินทบาทปฏิเสวามิ็จะเสพแล้วกินอาหารอาท่านก็เศษคาถาเป่าเป่าซะก่อนว่า ดับไฟนรกว่างั้นเถอะแอบยังค่อยเอาใส่ในบาทแล้วให้พระใหม่ฉันว่างั้นเถ อ, เอถ้าพระใหม่จมปฏิสังขารโยไม่ได้ต้องให้เนรน้อยเป็นคนเสกคาถาอาดับไฟนรกซะก่อนอย่างเช่นให้พระใหม่ฉันอันนี้คือหลวงปู่ฟั่นท่านเอามาพูดคือเขาถือกันเป็นเรื่องศักดิ์สิทธิ์ว่าสมัยก่อนอแต่มาพิจารณาดูปฏิสังขายโยนิสโวบินดาปาตัง ความหมายก็คือให้พิจารณาโดยแยกคายโดยรอบคอบก่อนฉันอย่าไปฉันเพื่อเป็นอย่างอื่นเห็นโทษในการฉันฉันเพื่ อ, อยังชีพเพื่อได้ประพฤติพรมจันทร์ร่างกายนี้ถึงจะกินอาหารดิบดีขนาดไหนมันก็เป็นของคนอื่นอยู่เสมอเป็นอื่นอยู่เสมอเลี้ยงเท่าไหร่ก็ไม่เชื่องว้นงงั่นเถอะให้กินดีขนาดไหนก็ไม่เชื่อ กินดิบกินดีเท่าไหร่ยิ่งตายเร็วงั้นเถอะออาหารดิบดีกินเข้าไปเท่าไหร่ยิ่งอ้วนยิ่งอ้วนยิ่งไขมันมากก็ยิ่งตายเร็วเอเพราะ น, นั้นร่างกายเนี่ยไม่ไมใช่อของเราพร้อมที่จะแตกกลับในที่สุดเรานี่ยคือใครคือคือใจคือนามธรรมตัวผู้รู้คือมโนคือใจนั่นเป็นเจ้าของของกายนี่อย่างที่ลวงตาพูดเมื่อคืน เ, นเออ พอมาเกาะปฏิสนธิมายึดร่างกายตัว น, นี้กับถือว่าเป็นของตัวเองถือว่าเป็นของเราแท้ๆที่ไหนได้อีกสักวันหนึ่งร่างกายนี่ก็จะต้องแตกสลายในที่สุดสูดด่ดินน้ำลมไฟใจก็ไปเกาะที่อื่นอีกไปยึดที่อื่นอีกเพราะนั้นใจตัว น, นี้เป็นผู้ลุ่มหลงมัวเมากับร่างกายอันนี้ก็คือท่านให้พิจารณาปฏิสังขายโยนิโสบินดาปาตังก่อนที่จะฉันต้องสํารวมในบาศก่อน ไม่ใช่ว่าเราจัดปุรับปรับเสร็จแล้วก็มาก็มุบมับฉันเลยไม่ได้ด้อยู่กับครูบาอาจารย์อยู่กับหลวงตามหาบัวเนี่ยท่านดุเลยไม่พิจารณาซะก่อนฉันใช่ไม่ได้ต้องมองดูในบาตรซะก่อนพิจารณาซะก่อนให้แยบคลายซะก่อน่ค่อยฉันฉันแบบไม่ลืมตัวฉันแบบพระกรรมฐานฉันแบบมีครูฉันแบบตามแนวแถวที่พระพุทธเจ้าสอนเอาไว้อย่าไปฉันด้วยความอยาก อย่าไปฉันด้วยความโลภออย่าไปฉันอาหารด้วยเอมุมมามแต่ออันนี้ขณะที่ฉันฉันด้วยความระมัดระวังเราจะไม่ฉันดังจับจับคือพวินัยได้บัดเราจะไม่ฉันดังสุดสุดเราจะไม่ฉันเลียมือเราจะไม่ฉันกัดคําข้าวเราจะไม่โยนคําข้าวเข้าปากเราจะไม่ฉันกระทํากับพุ้งแก้มให้ตุ๋ยเราจะไม่ฉันพลางสะบัดมือพลาง อันนี้คือพระวินัยของพระทั้งหมดอันนี้ยกมาเพียงประเด็นให้พวกเราดูในเสเกียวัดวัดที่ภิกษุจะต้องศึกษาเลขเสเกียวัดเสเกีวัตรจดเป็นสี่หมวดหมวดที่หนึ่งสารูปหมวดที่สองโภชนะปฏิสังยุตหมวดที่สามธรร ม, มเทศนาปฏิสังยุตหมวดที่สี่ปกินกะกะสารูปมีที่หนึ่งมียี่สิบหกหนึ่งสองภิกษุพึ่งทําความศึกษาว่าเราจะนุ่งห่มให้เรียบร้อยเราจะรับบิณฑบาตโดยเคารพ เราจะเดินเราจะุ้งผมให้เรียบร้อย เ, อเราจะเดินบินทบบาทโดยเคารพแต่ไล่ไปเรื่อยมาเฉจนโพชนาตรีสังยุทธที่สองมีสามสิบขอเรื่องเกี่ยวกับการบินทบบาทมเมื่อเราบินทบบาทเราจะเราจะแกลดูแต่ในบาทเราจะมีตาทอดลงไปนั่งในบ้านทั้งไปทั้งนั่งในบ้าน อ, อย่าไปมองฟ้า โลกเล็กโลกเล็กเหมือนกับคนไปหาอของป่านั่นแหละมีตาสำรวมไปทุกความสำรวมระวังเรียอว่าสมณะสารูปการฉันก็อย่าไปฉันแบบมุมมาม เ, เราจะไม่ฉันพรางสมบัติมือพรางเราจะไม่ฉันโปรยมเมล็ดข้าวให้ตกลงในบาตหรือในที่นั้นๆ เ, เพราะนั้นเวลาเราจะลุกจากที่ เราจะลุกเราต้องมองดูรอบข้างเราซะ ก, ก่อนมีเมล็ดข้าวตกไหมมีน้ําหยดไหมมีน้ําแกงหยดไหมมีผักหลุดไหมเราต้องเก็บให้เหรียบร้อยซะ ก, ก่อนก่อนที่เราจะลุกเอาผ้าเช็ดมือของเราเช็ดเ ช, ช, ช, ช็ดให้เหรียบร้อยก่อนที่เราจะลุกจากที่นั่งแหมไม่ใช่ว่าเราลุกขึ้นมาบริเวณที่นั่งของเราเกลื่อนไปหมดด้วยเม็ดข้าวบังด้วยผักบังด้วยน้ําหยดบังอันนี้แปลว่าใช่ไม่ได้ผิดต่อวินัยนะ อย่างพดันการฉันพวกเราก็ต้องมีวินัยเหมือนกันเราจะไม่ฉันพรางสะบัดมือพางเราจะไม่เอามือเปื้อนจับภาชนะน้ำเราจะไม่ฉันทำกระปุงแก้มให้ตุย๋ยเราจะไม่ฉันกัดคำข้าวเราจะไม่ฉันเรียริมฝีปากเราจะไม่ฉันดังจับจับเราจะไม่ฉันดังสู้สู้เราจะไม่ฉันเรียมือ สิ่งเหล่านี้เป็นวินัยทั้งหมดเพราะนั้น ว, วินัยเหล่านี้เอาไปใช้ในคารวาดก็ได้ไม่ผิดประการนันอน เ, เป็นกิริยามารยาทที่สวยงามเพราะพูดพุทธเจ้าเป็นกษัตริย์เป็นพระเจ้าแผ่นดินเพราะนั้นท่านบัญญัติวินัยของท่านเอื้อไปในทางมารยาทการอยู่การกินการ เ, เป็นอยู่ไม่ให้มุง ม, มั่มประางนั้น เวลาฉันก็ไม่ใช่ว่าสมบัติหน้าสมบัดหลังเ อ, อเมื่อคําข้าวอยู่ในปากเราจักไม่พูดะถ้าพิจารณาดูแล้วมันงามไหมพระพุทธเจ้าท่านบัญญัติมาทั้งสองพันกว่าปีคําข้าวอยู่ในปากพูดแล้วมเมล็ดข้าวกระเด็นไปหาคนอื่นไปหาจาย์อื่นเข้ า, าเอเพราะฉะนั้นการฉันในบาทท่านจึงมาให้พูดถ้าไม่จําเป็นถ้าจะพูดก็ต้องกลืนคําข้าวซะก่อนจึงค่อยพูด คำข้าวอยู่ในปากเราจกไม่พูดนะอันนี้ก็คือพระวินัยพวกเราได้เข้ามาศึกษาก็จะได้ได้ศึกษาได้เรียนรู้ว่าพระวินัยของพระพุทธเจ้าที่ท่านบัญญัติไว้นั้นมีคุณค่ามีสาระมีประโยชน์สำหรับชีวิตประจำวันของเราเอาไปใช้ก็มีแต่คุณค่ามีประโยชน์ทั้งนั้นนะสอนลูกสอนหลานสอนใครๆครกอไปอยู่ในสมาคมใด ผลทั้งหลายก็ยกย่องทั้งนั้นแหละที่เอาไปใช้นี่นะการอยู่การกินเนี่ยการเป็นอยู่เพราฉนั้นพวกเราพระทุกองคนะดูพอวินัยจุดนี้ น, ะนานๆหลวงพ่อก็จะได้พูดให้ฟังเวลาการฉันก็เหมือนกันหลวงตามหาบัวท่านเน้นหนักเวลาเราจะฉันอะไรในบา้านมีผักมีอะไรก็ตามจัด มวนผักให้เรียบร้อยอยู่ในบาตแล้วยังค่อยเอาขึ้นมาฉันเอไม่ใช่ว่าเราจะเอาขึ้นมายกมาข้างนอกอมาทําเป็นคำแล้วยังค่อยฉันดูแล้วมันไม่งามหลวงตามหมาบัวท่านบอกหมดนะเวลาเคี้ยวอาหารก็เหมือนกันอย่างแตงอย่างนี้มันดังใส่เข้าปากกอเคี้ยวขุวมขุม่มแบบคนไม่มีสติไม่ได้เวลาเอาเข้าในปากให้กด ให้มันแตกซะก่อนกดแรงๆสองสามเคี้ยวแรงๆกดแบบช้าๆกดแรงๆสองสามสี่ครั้งพอมันแตกแล้วจะค่อยเคี้ยวอาหารต่อไปออไม่ใช่ว่ายัดเข้าไปแล้วกวบกวบกวบไปที่ไหนก็ดังไปได้เสียงดังไปหมดแปลว่าฉันไม่มีสติใช่พอลดเข้าไปเตะลิ้นเท่านั้นน่ะหูดับใช่หหูอยู่ใกล้ปากเจ้าเองยังไม่ได้ยินคนอื่นเขาอยู่ไกลๆเขายังได้ยิน ดวงตามหมาบัวท่นานว่างั้นไม่พินนาดูแล้วมันจริงเลยเอออันนี้หลวงพ่อนำทำทาพูดของท่านเอามาพูดสอนให้หมูพวกเพื่อนได้ยินได้ฟังเพื่อเป็นคติตัวอย่างต่อไปภายภาคหน้าพวกท่านทั้งหลายเป็นครูบาอาจารย์ก็จะได้สอนสิทธิ์ไปเมื่อเราเป็นเป็นคราวญเป็นเจ้าของครอบครัวเราก็จะได้สอนลูกสอนเต่าของเรา ไปในสถานที่ใดเข้าสมาคมใดผู้ใหญ่ระดับไหนก็ได้ถ้าใช้หลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่เสเกียวัตรเอาไปใช้แหละหลวงพ่อวันดีทั้งนั้นแนหะถูกต้อง <c oughs> อา้าวตอนนี้ไปรับพร อ, อนุโมทนาให้พร